วันนี้นะมีข่าวคราวเหตุการณ์ต่างๆมากมายที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองหรือเป็นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสิ่งแวดล้อมนะอันนี้ไม่ใช่เฉพาะประเทศเราประเทศเดียวนะแต่ว่ามันรวมไปถึงประเทศต่างๆหรือทั้งโลกเลยแค่ข่าวคราวเกี่ยวกับโรคร้อนเกี่ยวกับวิกฤต สิ่งแวดล้อมนี่มันก็ชวนให้หดหูหรือว่าหอเหียวอันนี้จะไม่นับถึงข่าวขาวเกี่ยวกับเรื่องการเราเปรียบเบียดเบียนกันอาจยา ก, กรรมคนที่หิวโหวยนะพัฒนาคาที่อยู่กลายเป็นผู้ลี้ภัยรวมทั้งทุกวันนี้คนก็ มีปัญหาด้านจิตใจกันมากขึ้นเป็นโรคซึมเศร้าก็เยอะนะฆ่าตัวตายก็มากในเรื่องราวนี้มันก็ชวนให้ผู้คนเนี่ยรู้สึกหดูหอเหี่ยวหรือเกิดความเครียดขึ้นมาแล้วก็มีหลายคนนะที่เขายังมีกำลังใจมีความหวังแล้วก็มีอ่า ความเบิกบานสามารถทำกิจการงานและใช้ชีวิตได้ในทางที่เป็นประโยชน์สร้างสรรค์ก็ได้มีคนหนึ่งเขาตั้งคำถามขึ้นมาทางเว็บไซต์ว่าเนี่ยอะไรทำให้คุณเนี่ยมีความสดชื่นเบิกบานมีความหวังนะ ในการดาเนินชีวิตในการทำงานได้อันนี้ก็ก็ถามคนทั่วไปนะแล้วก็มีหลายคนเาก็ตอบกลับมาได้น่าสนใจบางคนบอกว่าก็พยายามชื่นชมสิ่งดีๆที่มีอยู่รอบตัวชีวิตเราเนี่ยมันก็ไม่ใช่ีปสิ่งแย่ๆนะสิ่งดีๆก็มีนะ ดอกไม้ที่บานสวยท้องฟ้ า, าสีครามที่ทำให้จิตใจโปร่งโล่งรอยยิ้มของผู้คนที่เราไม่รู้จักหรือคนแปลกหน้าแม้กระทั่งความน่ารักของสัตว์ตัวเล็กๆตัวน้อยๆ น, น้องหมาน้องแมว หรือว่าใกล้ตัวหนก็คือเนี่ยการที่เรายังมีอาหารกินนะเรียกว่ากินอิ่มนอนอุ่นยังมีลมหายใจนะยังมีชีวิตยังมีกำลังวังชาที่จะทำอะไรอะไรได้รวมทั้งยังมีคนรักอยู่รอบตัวพอรู้จักนะสังเกตแล้วก็ชื่นชมสิ่งเหล่านี้แล้วมันก็ทำให้จิตใจนะ เบิกบานสดชื่นไม่ัวดทูหอเหี่ยวและมีหลายคนก็บอกว่าเนี่ยวิธีที่จะช่วยทำให้จิตใจเขาไม่ยำแย่ในยามที่โลกรอบตัวหรือสิ่งแวดล้อมภายนอกนี่มันมีแต่ข่าวข่าวที่ไม่ดีก็คือรับรู้เรื่องราวดีๆเสียบ้าง ในโทรศัพท์มือถือนะมันก็มีเรื่องราวดีๆที่ถ้าเกิดว่าเรานะใส่ใจนะไม่หมวัวแต่ไปติดตามข่าวคราวที่มันแย่ๆความเห็นที่สะละเอาแวงกันมารับรู้เรื่องราวดีๆนะว่ามันมีคลิปมีวิดีโอเกี่ยวกับสัตว์ที่น่ารักนะ หมาที่ช่วยแมวหรือว่าลิงนะที่ช่วยหมาที่ตกน้ำหรือว่าคนที่เขามีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลกันเสียสละในทรศัาท์มือถือก็ดีในโซเชียลมีเดียก็ดีนะหรือว่าโทรทัศน์เนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่ามีแต่เรื่องแย่แย ให้เรานะใส่ใจรับรู้เรื่องเราดีๆเรานี้บ้างมันก็จะเกิดความปิตินะมีความซาบซึ้งเพราะคนเราเนี่ยจะมีความสุขเมื่อเห็นคนทำความดีต่อกันมีคนหนึ่งก็บอกว่าเนี่ยตาไปทางไหนรถก็ไปทางนั้นนะตาไปทางไหนรถก็ไปทางนั้นแต่ไม่ไม่ใช่รถเท่านั้นนะใจเราก็เหมือนกันนะ ตาเราไปทางไหนใจเราก็ไปทางนั้นนะหมายคาอว่าตาเราถ้ารับรู้เรื่องเราดีๆใจมันก็มีความสุขมีความปิติถ้าไปรับรู้แต่เรื่องเราแย่ๆเรื่องการเมืองที่ทะเลาะเบาแวงกันหรือว่าเอาเปรียบเบียดเบียนกันหักหลังกันนะอย่างนี้จิตใจมันก็ห่อเหี่ยวนะในสิ่งเหล่านี้ก็แม้จาเป็นนะต้องรู้เพื่อ ตามเหตุการณ์บ้านเมืองให้ทันเพื่อเข้าใจความเกิงที่เกิดขึ้นแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีแค่นี้มันมีสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆที่น่าประทับใจที่เราควรจะรับรู้หัว ใ, ใจเรามเมืองโท ร, โ ท, ร, ท, ร, ท, รทัศนะ์มีหลายช่องนะถ้าเราดูช่องสัตว์โลกผู้น่ารักจิตใจเราก็สดชื่นถ้าเราดูช่องเกี่ยวกับธรรมชาติจิตใจเราก็เบิก บ, บานถ้าเราดูช่องเกี่ยวกับสงคราม ขาฟันการจิตใจแล้วก็ห่อเหี่ยวได้นะหรือไปดูหนังที่มันมีการฆ่าล้างผานนะแวะแกอกแวะอกนะเห็นแล้วชวนเสียเสียของจิตใจมันก็ทำก็ตื่นตกใจนะนอนไม่หลับนั้นรับรู้ขอเราดีๆก็ช่วยทำให้ใจเราไม่ทุกข์นะใจเรามีความสุขเบิดบานได้ วิธีนึงที่คนนิยมใช้คือว่าช่วยเหลือผู้อื่นนะนึกถึงผู้อื่นเพียงแค่พาเด็กข้ามถนนซึ่งเราไม่รู้จักนะพาก็ข้ามถนนหรือว่าช่วยขนของยกของให้คนแก่ที่ซื้อของมาแต่ไม่มีใครติดตามช่วยเหลือเราก็ช่วยเขาเอาอาหารเนี่ยคนยากไร้คนไร้บ้าน นะซื้อให้เขากินหรือแม้แต่ยิ้มให้ลูกค้านะไม่ว่าจะทําอาชีพอะไรบางคนทำแล้วเครียดเพราะลูกค้าเยอะแต่ถ้าเรายิ้มให้เขาให้รอยยิ้มของเรานนี่ก็ทําให้เขามีความสุขแล้วเราก็ผ่านมีความสุขไปด้วยซื้ออาหารหรือทําอาหารให้คนยากคนจนกินไอ้พวกนี้เนี่ยมันก็ทําให้เรามีความสุขนะเพราะว่าผู้เจ้าจัดไว้แล้วนานมาแล้วนะผู้ให้ความสุขย่อไมได้รับความสุข การทำช่วยเหลือการทําเพื่อผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นนี่มันก็เป็นการเติมสุขให้ใจได้มีคนนึงเขาพูดน่าสนใจนะก็บอกว่าเนี่ยเขาเป็นชาวพุทธแล้วเขาก็ได้อาศัยการภาวนาอย่างหนึ่งช่วยช่วยยังไงนะเขาบอกเวลามันมีความรู้สึกแย่ๆห่อเหี่ยวสิ้นหวังก็ให้แค่รับรู้มันยอมรับมัน จะไปผักสายมันแล้วก็มองว่าเนี่ยไอความรู้สึกแบบนี้มันก็ดีนะมันทําให้เราเนี่ยเข้าใจคนอื่นที่เขารู้สึกแบบเดียวกับเราไม่ว่าจะเป็นความเศร้าความห่อเหี่ยวความท้อแทะข้อดีมันก็มีนะมันทําให้เราเข้าใจคนอื่นซึ่งมีมากมายนะที่รู้สึกแบบนี้มันทําให้เราใกล้ชิดกันมากขึ้นแล้วพอเราเข้าใจ เข้าแล้วเราก็จะเกิดความเมตตาอเ น, น่ยอันนี้ก็น่าสนใจนะคือไม่ปฏิเสธความรู้สึกหอเหี่ยว ท, ท, ท้อแท้ยอมรับมันแล้วก็บอกเนี่พอมันมีความรู้สึกนี้เกิดขึ้นก็เปิดใจรับเต็มที่เลยไม่ต้องผักใสพราะมันทําให้เราเนี่ยมีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นซึ่งรู้สึกแบบเดียวกับเราหรือมีความรู้สึกแบบเดียวกับที่กลาลังเกิดขึ้นกับเรา แล้วคนเหล่านี้นี่มีเป็นล้านนะถ้าเราเปิดใจรับความรู้สึกแย่ๆมันก็ทาให้เราเนี่ยนะเข้าใจเห็นอกเห็นใจคนอีกหลายล้านนะที่รู้สึกแบบเดียวกับเรามันทำให้เกิดความใกล้ชิดกันมากคือทำใเกิดความเห็นอกเห็นใจและเกิดความเมตตากรุณานี่ก็เป็นความเห็นที่แตกต่างจากคนอื่นที่พูดมานะแต่ว่ามันก็ได้ผลทีเดียวนะ นอกจากเราจะเติมความสึกดีๆเข้าไปในใจเพื่อขับไล่ความรู้สึกที่ไม่ดีออกไปเหมือนกับเติมน้ําดีไล่น้ําเสียแล้วถ้าเรารู้จักเอาน้ําเสียมาใช้ประโยชน์มันก็ได้เหมือนกันนะน้ำเสียนี่มันก็สามารถเป็นปุ๋ยบำรุงดินได้เหมือนกันเมื่อความรู้สึกแย่ๆถ้าใช้มันก็เกิดประโยชน์ได้นะทำให้เกิดความเข้าออกเข้าใจเป็นเมลสพานเชื่อมที่ทําให้ใกล้ชิดคนอื่นมากขึ้น อันนี้ก็เป็นความเห็นที่ได้ประโยชน์จากการภาว น, นานนะซึ่งก็คิดว่าหลายคนก็คงจะได้ประโยชน์เช่นกัน